หลัครูบาอาจารย์เรียกสถานีขออนุญาตแสดงธรรมให้หลงพ่อพิจารณตอนบทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสดีอาตมาเราใช้คำว่าหลวงพ่อแล้วนะครับใกล้ชิดกันหน่ออาตมาโมอาตมาปั๊มรถางไปบุรีเดวนี้เป็นโอกาสดีาที่หลวงพ่อในมาเชียงใหม่อยากจะเอาธํรมาคืนให้คนเชียงใหม่ ก่อนหน้านี20กว่าปีเราเขเรียนสัมาแต่ครูบาอาจารย์ั้งเชียงหม่นียมีครูบาอาจารย์อยู่หลายองค์องค์ที่เป็นหลักเลยคือหลวงปู่สิงห์ใตั้งซิ้นหลายปีแนละ้วพวกเราบางคนไม่รู้จักละตอนนี้ต้ขึ้นมาเชียงหม่ทุกปีนะเรียนสัมมาตะท่านอง์หนึ่งกนะ็ท่านบานอ า, นาจารย์หรือรรท้สาเพก็อาจารย์ตองยินพระสัททีธ มาเรียนจากครูบาอาจารย์ทั้งนีหลายมูมแต่เดิมเูาเรียนมาจากทางครูบาอาจารย์ไทยิสารทั้งสายเดียวกันทั้งสาครูบาอาจารย์ักปาการทงี่หลาเข้าเรียนธรรมจากครูบาอาจารย์จนวนมากเรียนเยอะจากครูบาอาจารย์หลายสิบองค์ทำไมต้องตะเวนครูบาอาจารย์ที่ดีๆองไหนมีชื่อเสียงขนมาไม่ใช่ไต่ชื่อเสียงเลพราะว่าได้ยินข่าวพราท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เ, เที่ยวตะเวไปหาไม่เฉพาะในสายวัดป่าสายยื่นๆก็ไปหาสายโลงกงพเทียนหลวงพ่เทียนอะไรนี้หลวก็เข้าไปสายท่านแาจารย์พุทธค่าเข้าไปการที่ได้เที่ยวดศึกษาธรรมะหลายๆที่ได้พบความจริงข้อหน่งก็คือครูบอาจารย์ที่ท่านดีท่านพิเศษจริงๆนั่นท่านสอนธรรมะเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยสอนเป็นเรื่องเดียวกัน โดยสจำนวนโมหานโดยศิลปะในการสอนอาจจะแตกต่างกันจำนวนโมหานภาษาของแต่ละองค์แต่ละองค์จะไม่ค่อยเหมือนกันอย่างบางองค์ท่านสอนบอกว่าภพผูร้รู้ทำลายผู้รู้ภพจิตําลายจิตเือถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จ ร, ริงในหลวงพูดสอนเย่นี้ในกราดโลวงพูดละลที่พูดเจ้าก้อนท่านก็สอนดี่นี้อ่านไม่ใช่ผู้รู้ ถ้าผู้รู้ไปจนได้มีที่กำหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็ควพอเหมือนๆแต่โดยภาษาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเหมือนกันสักคำเดียวเลยแต่โดยสภาวธรรมเป็นอันเดียวนะครูบาอาารทุกทุองไม่ว่ามงไหนก็ตามที่สอนนะ้าเลยย้ำลงมาที่ความมีสติไม่มีมงไหนเลยที่สอนบอกว่าอย่าอย่ามีสติทั้งหมดต้องมีสติไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีใดกันสิ้นจะฝึกในแนว พุโทโธแนวคองยุคแนวทำจังหวะอย่างโลวงเทียนรู้รยรีรยาบทสีอะไรก็ตามเกิดไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีใดสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันหมดเลยคือความมีสติก็เราได้ยินกับว่าสติตมานานนะบางทีตามถนนก็เห็นมีป้ายมีคัดเท้ากินสุราหรือสุราขาดสติอะไรและสติโลกโลก คว่าสติสติเราได้ยินมาจนคุ้นเคยความจริงคนในโลกไม่มีสติหรอกสติในความหมายของนักปฏิบัติเนี่ยคือความระลึกได้คือความมีอยู่ของกายของใจตัวเองพเรารู้สึกไหมว่าในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมาเรารู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองเนี่ยน้อยที่สุดเลยเรารื้อการยรื้ใจตัวเองนี่อยที่สุดแล้วดื้อนานเลย คนใหญ่ตั้งแต่ตื่นนอนนะก็ตื่นนอนแล้วก็เริ่มคิดแนะอย่างเราเป็นข้าราชการะตื่นนอนมาเอารึ้งได้ว่าวันนี้วันจันทะร์ใจอากจะเกิดความรู้สึกขี้เกียจใช่ไหมว่าจะเป็นเรื่องเอื่นนะแต่ใจเกิดความขี้เกียจเนะี่ยมองไม่เห็นไม่ได้ดูนะวันอังคาเ น, นี่ยขี้เกียจมากเลยนะวันพุธเนี่สุดเซ็งวันพฤหัสเนะี่ยเริ่มมีความสุขเนะี่ยก็คร่าชะลอในปากเรื่องกินนะ้มแล้ววันศุกร์นะมีความสุขมาก ต่ น, นอนขึ้นมาคิดว่าวันนี้วันศุกร์หรือว่าเป็นรองวีเกนนะโอยิ่งมีความสุขมากไปยเราก็จะคิดเลยว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เราจะไปเที่ยวไหนหรือวันนี้วันศุกร์เนี่ยเรื่องงานแล้วก็จะไหลไปที่ไหนกลางวันจะชวนเพื่อนไปกินข้าวที่ไหนตอนบ่ายจะได้หนีงานหนึ่ง mm. ในใจเราจะคอยคิดถึงเรื่องสิ่งอื่นๆไปเรื่อยๆ เ, เราจะลืมตัวเองตลาดเวลาเลย mm. ในโรกนี้ไม่มีความรู้สึกตัว ในโลกมีแต่กฏยลวงลืมกายลืมใจตอลอดเวลาเรามีร่างกายแต่เราไม่เคยคิดถึงมันเรามีจิตใจแต่เราไม่เคยคิดถึงมันอันนี้เรียกว่าขาดสติเราลองอัดใจของเราดูจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกไหมวันๆนหนึ่งนะียเรารู้สึกกายรู้สึกใจน้อยเกินไปเรามัวแตรู้เรื่องอื่นนะรู้สึ่งอื่นความสนใจของเรานั้นจะออกนอกตอลอดเวลาสนใจไปหมดเลยมีค่าวสารบ้านเมืองมีข่าวนอกประเทศนะ จนไปถึงเขาเขาไปดูดาวตา่ตางตาัดตา่ตางตนะัดแล้วเรารู้ไปหมดนะแต่เราไม่สนใจที่จะรู้จักตัวเองเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ยกเว้นตัวเองตอนนี้เป็นความอักขรที่สุดเลยของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายคือมันไม่รู้จักตัวเองถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมจรงิงๆแล้วเราค่อยมีสติขึ้นมาเราต้องรู้สึกตัวเองให้ได้อย่าใจลอย ใครรู้จักคำวา่าใจร่อยตั้งมีไหมไม่มีใครรู้จักเลยน <c oughs> <c oughs> อา้าใครไม่รู้จักคำวา่าใจร่อยวะเนี่ยอันนี้เป็นวัฒนธรรมไทยนะไม่ยกเว้น <c oughs> ในความเป็นจริงนะพวกเราใจลอยทั้งวัน <c oughs> เวลาที่เราใจลอยแล้วเราไปคิดเรื่องโน้นเรามีคิดเรื่องนี้เราลึมตัวเองนี้นออกไหมเวลาใรรจลอยเราอยคิดเรื่องโนอนคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาเราลืกกายลืมใจเราไป เมไรลืกายเมือ่อไรลนใจเมื่อไรขาดสติเพรก็นั้นทั้งวันขาดสติจำเป็นยังไงที่เราต้องมีสติถ้าเราอยากบรรลุจริงๆแล้วเราต้องมีสติถ้าอยากได้มาผลนิพพานจริงๆต้องมีสติถ้าขาดสติซะอย่างเดียวนี่อย่ามาพูดเลยเรื่องจะอามผลนิพพานสวดมนต์ปาปาแล้วทําบุญใจ่าตไปแล้วอธิฐานนิพพานปัจโยตุไม่ได้หรอก ถ้าอยากจะได้ว่าผลนมพพานจริงๆต้องเจริญสติในท่านการที่เราจะเจริญสตินะต่องคอยรู้สึกกาย ร, รู้สึกใจของเปลี่ยนไนะรู้สึกเ่อว่ามันหนึ่งเราจะเป็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือความเป็นไตรลักษณ์ใครเคยได้ยินต้องมาไตรลักษณ์ฟังเทศมาเยอะแนละ้วไม่ไปได้ยินที่อาปาปนะไตรลักษณ์ก็คือลักษณะความเป็นจริง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 แต่ความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนัเป็นภูมิขวัตถุคือทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดทนอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นดับเกิดระดับทั้งสิ้นสิ่งที่เกิดระดับแสดงว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนฐานวันนี่อนัตตาเนีเป็นความจริงถ้าเราหัดหัดมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือการกับใจนั่นเองพูดภาษาไทยง่ายๆพูดภาษาบาลีรู้เป็นนาม แต่รู้รูปธรรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเรียนรู้จนกระทั่งเห็นความจริงนะเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวเราถ้ามันไม่มีตัวเราใครจะทุกข์ล่ะรูปธรรานามธรรมมันทนุกข์นั้นตนอยู่ไม่ได้แต่ไม่มีเราทุกขเป็นทุกข์เป็นภาวนาอเนี้ยนะาการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนะี่ยจุดห้ายปลายทางนั้นเราจะสอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเรา สุดท้ายกายทางที่แท้จริงเลยก็คือเราจะถอดถอนความยึดถือในสิ่งซึ่งเคยเห็นว่าเป็นตัวเราถ้าวันใดเราถอดถอนความยึดถือในการในใจได้มันจะไม่ยึด ก, กายยึดใจมันจะไม่ยึดอะไรในโลกอีกก็สิ่งที่เรายึดถือเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดแล้วก็คือกายในี้ใจนี้นั่นเองการที่เรายึดถือการยึดถือใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันมนาความทุกข์มาให้เย่ยนแสนสาหัส เพราะร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่เชื่องเป็นทุกเป็นอนัสสามีแต่ความแปลกตัวบังคับไม่ได้เราอยากให้เรามีประสบกาวอจิตใจเราก็อยากให้สงบถาวรนั่งกายเราก็อยากให้แข็งแรงถาวรเป็นหนุ่มเป็นสาวถาวรหนึ่งความจริงมันไม่เป็นอย่างนะเพราะมันแก่เรายอมรับความจริงไม่ได้เราปรทุกสิทธุกเพราะมันแก่ร่างกายมันเจ็บไข้เรายอมรับความจริงไม่ได้เราปรทุกเพราะร่างกายเจ็บไข้ ร่างกายจะตายเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ทุกข์เพามันจะตายนี่เรายอมรับความจริงไม่ได้นะความทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นถ้าเราอยอมรับความจริงของชีวิตได้ความทุกข์ทางใจมจะหายไปการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้จิตใจเราได้รู้ความจริงของชีวิตรู้ความจริงของชีวิตเลยชีวิตนี้ขึ้นประกอบร่างกาย ใ, ใจเนะี่ยเป็นของไม่เชื่ยงเป็นขอคตนอยู่ไม่ได้เป็นของพักพับไม่ได้จริงอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไป กระทั่ทางจิตใจนะไม่เฉพาะร่างกายนะที่เกิดแล้วกระดับจิตใจเองก็เกิดแล้วกระดับจิตใจเดี๋ยวก็มีความสุขมีความสุขแล้วก็หายไปเกิดเป็นจิตใจที่มีความทุกข์จิตใจที่มีความทุกข์อยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปอาจจะเป็นจิตใจที่เฉยๆขึ้นมาจิตใจเฉยๆอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปจะทุกข์ขึ้นมาก็ได้จะสุขขึ้นมาก็ได้นะรเปลี่วนตลอดเวลาเยไม่มีนะจิตใจที่มีความสุขถาวันทังคนในโลกไม่มี มีแต่ความแปรเปล่ตลอดเวลานี้่ก็เราฝ่ฝันก็อยากมีความสุขถาวร อ, อยากให้จิตนี้มีความสุขถาวรจิตมีความสงบถาวรคำ ว, ว่าถาวรไม่มีแล้วมันจะแปรเปลี่ตลอดเวลาถ้าเรายังรับความจริงตรงนี้ไม่ได้เราตุ่มใจทุกวันไปนั่นสมาธินะพยายามทาสมาธิให้จิตสงบ ก, ก็ดีเหมือนกันดีแบบสมถะจิตสงบได้อีกวันหนึ่งก็ฟุ้งซานได้อีกแหะ และถ้าเราภาวนาเราเอาแค่สมาธินะทำความสงบแล้วก็ฟุ้งร่านฟุ้งซ่านรล้วก็มาทาำความสงบกี่ปีดี่ชาติไม่เว้นเลยเท่านี้ไม่พอต้องเจริญปัญญาให้ได้เจริญปัญญาคือเรียนรู้ความจริงเห็นไหมจิตใจที่ว่ามีความสุขมันสุขชั่วคราวแล้วมันก็ไม่สุขละมันสงบมันก็สงบชั่อคราวแล้วมั่ก็ไม่สงบละมันดีมันก็ดีชั่อคราวมันชั่วมันก็ชั่วชื่วคราวใครไปตรวจนาน หลายๆวันมีไหมตอนตื่นแต่ว่ที่นี่ไม่โจกเลยไมเหมือนตัดเงินเที่ยงแั้วไม่แย่งกันโจกเลยชอบสี่เซนเฟสตีนี้ก็อก็ตยเราได้ว่าเราความโกรธเราเราอยู่ได้นานๆไม่จริงความโอกอยู่นานๆไม่จริงประอยูนในขนาดขนาดอย่เวลาเราคิดถึงคนเียวนิดเดียวคิดแล้วไอ้นี่ร้ายเลกินความโกรธก l เกิดขึ้น พอเราอ่านไปเห็นคนที่เรารักเดินมาเราเริ่มคิดถึงใ้คนที่เราโกรธความโกรธก็ดับไปเห็นไมแต่ถ้าจิตที่โกรธนก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความโศกก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความรักก็ไม่เที่ยงนะจิตที่ทุกขก็ไม่เที่ยงจิตที่รนั่นจิตอย่างนี้มีนจะของไม่เที่ยงนี่แหละเราคอยมาเรียนรู้ความจริงในกายในใจของเราเองเรื่อยๆคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจมีสติรู้สึกการรู้สึกใจเรื่อยๆ เพื่อวันหนึเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงท้องมันไม่เที่ยง ม, มันเป็นตุกเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จริงหรอกนะสุขกสุขชั่วคราวนะมันสบายก็สบายชั่วคราวอะไรนก็ชั่วคราวหมดเลยเนะเป็นหนมเป็นสาวก็ชั่วครา ว, นะา ว, ราวทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวแนตะ่ที่เราไปมีสติแนละ้วเราคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจเหนื่อยเหนอยนะถึงวันหนึ่งในจิตมันจะยอมรับความจริงมันยอมรับความจริงว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาดับสั่งซึ่งทุกอย่างในชีวิตตอานี้เป็นของชัว่วคราวอันนี้แหละตัวสําคัญและที่เรามาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะไม่เปลอไม่ลืมมันคอยดูอย่างที่มันเป็นไปเรื่อ ย, อยถึงว่าหนึ่งปัญญาจะเกิดมันจะรู้ความจริงเลยทั้งกายทั้งใจ ใ, ในมีแต่ของไม่เที่ยงของเป็นปุ๊บของไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้จริงหรอกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับไป ่างกายเกิดแล้วก็ดับหนะทางจิตเกิดแล้วก็ดับทางกายเกิดแล้วดับเนชะ่นร่างกายที่หายใจออกอยู่ช่วงกลางก็หายไปมีใครหายใจออกตลอดเวลาดีไหมไม่มีนะหายใจออกตลอดเวลาตัวตายหายใจออกเป็นช่วงกลางก็ต้องหายใจเข้าใช่ไหมหายใจเข้าช่วงกลางก็ต้องหายใจออกไม่ร่างกายก็เปลี่ยนตลอดเวลาร่างกายเรนั Mexican ่งนั 900, runner, ่งตลอดเวลาได้ไหมนั่งตลอดเวลาก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องลงไปนอนอ ยืนแล้วก็อาจจะลงมานั่งอีก ย, ยืนแล้วก็เดิน<ม>เดินแล้วลงไปนอนมีไหยมีเหมือนหกล้มถ้ากดตลอดเวละเดินอยู่ก่อนจะนอนก็ต้องต้องหยุดยืนก่อนแล้วลงมานั่งแล้วค่อยอนเนีร่างกายเราเปนตลอดนะไม่เคยหยุดนิ่งเลยเปลี่ยนตลาดเวลาแล้วคอยรู้สึกว่าแกมีแต่ของไม่เที่ยงนะร่างกายนี้มีแต่บางแปลกลด์ตลอดเวลาหร่างกายคิดว่าสดสดนะสุดจริงไหม พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครยังไม่เก่าค้ับนฟะังหลวงพ่อพูดม า, านะกีนาทีแนละ้วสิบกว่านาทีแล้วมีใครยังไม่ได้เก่าเลยบ้างมีไหมมีใครยังไม่ได้ขยับตัวเลยมีไหมนั่งให้กระดิกเลยเดียนั่งไปไม่มีหรอกใช่ไหมเราขยับตัวตลอดเวลาเพรอะไรเราปุกุกความทุกข์ระบิดพันอะยู่ตลอดเวลาทาให้เราเขเกลียนทิวไปเลยต้องขยับตัวไปอยเพหนีค ว, วามทุกข์เป็นตาาไป แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตเราอยู่กันมาคนละหลายสิบปีนะบุงคนก็เกือบร้อยปีแล้วอยู่กันมาตั้งนานร่างกายเราขยับไปเรื่อยเราไม่เคยดูเลยร่างกายมีความทุกข์เราไม่เคยดนะูมันงอแงขึ้นมาเรากขยับอัตโนมัติคันขึ้นมาเราก็กล้าวอัตโนมัติเราไม่เคยเห็นเลยถ้าเรามีสติรู้สึกกายเรเห็นเลยกายมีความทุกข์เบียดเบียดตลอดเลยไม่ใช่ของดีของพิเศษ ค, นะคิดใจก็เหมือนกันนะแปรปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย คอมีสติตามดูจิตใจลงไปสุดจะเห็นกากความแปลกเปลีตลอดเวลาการที่เห็นซ้ำแล้วส้ำอากส้ำแล้วซ้ำอีกวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงนะมันทุกข์ทั้งหมดเลยนะทั้งกายทั้งใจมันก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจไม่เชื่องทั้งกายทั้งใจมัประคับไม่ได้หรอกแต่ปลี่ยนตลอดเวลาไม่มีสิ่งคิดได้ว่าตัวตนถาวรเมื่อไหร่วันใดจิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่มีตัวตนถาวรวันนั้นแหละเราจะเป็นพระโสดาบัน เคยได้ยินคำว่าพระสนุนบัณฑ์ไหมใครเคยได้ยินแห่ขยับหน้าเรยังลูกศรยกมือตอนนีน้เวลาเรียกยกมือไม่มีนะพระสนุนบรัณฑ์ไม่ใช่บรรลุกุศลพระสุนทรภัณฑก็ถือกติธพวกเราอยงนี้แหละแต่ท่านฉลาดจิตท่านยอมรับความจริงนะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปแน่นอนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัว ต, วตนถานรนพวกเรายัางรู้สึกว่ามีตัวตนถานอนรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง รู้สึกไหมนี่คือเราเราคนนี้กับเราตอนเด็กเป็นเราคนเดียวกนะันเราคนนี้กับเราเมื่อวานก็ยังคนเดิมนี่จะรู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยคือความรู้สึกของคุณผู้ชมเลยมันมีความรู้สึกว่ามีเราฐาวันอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามาดูกายผัดดูใจถ้าเรารู้สึกตัวนะมีสติพา ร, รู้กายมีสติพา ร, รู้ใจไปตามดูไปเรื่อยเห็นแต่ว่าทุกอย่างเกิดระดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวนวัน เพราะนั้นสาคัญมากนะการที่มีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจรู้สึกบ่อยๆหยัยใจลอยหยัดใจลอยพวกเราทั้งหลายมันมนุษยทั้งหลายสักทั้งหลายใจลอยตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกกายไม่รู้สึกใจไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้มันลืมตัวเองตลอดมันจะเปเห็นความจริงของกายของใจได้ก็ลืมกายลืมใจตลอดแล้วเราคอยรู้สึกกายรู้สึกกจแต่นะกพื่จะได้เห็นความจริงของมัน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 แต่เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะดูว่ามันไม่เที่ยงหรือมันเที่ยงมันสมหรือมันทุกข์มันเป็นอัตตาหรือเป็นอนอัตตาดูปรับจิตก็ปรับชอบไปปรับขับไม่บังคับกายก็บังคับใจนึกออกไหมเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติทําเมื่อไหร่นะถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจมีเท่านั้นเช่นเวลาเราจะปฏิบัติเราจะเดินจนงกรมสิ่งแรกที่พวกเราจะทําเวลาเดินจนงกรมคือวางฟ้อง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 จริงกายเป็นยังไงจริจงๆใจเป็นยังไงคอยรู้สึกมันคอยรู้ไปดูมันแปดัง้วอุปสรรคสาคัญของนั้ปฏิบัตินี่นะมีอยู่สองข้อใหญ่ๆกันข้อที่หนึ่งขาดสติลืมกายลืมใจข้อที่หนึ่งขาดสติลืมกายลืมใจหรือที่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปลืมกายลืมใจข้อที่สองมีสตินะแต่กลับไปเพ่งกายเพ่งใจไม่ใช่รู้สึกกายรู้สึกใจ เพ่งกายเห่งใจเช่นเรารู้ลมหายใจนะเราส่งจิตของเราไปนแนบอยู่ที่ลมหายใจนะจิตนิ่งอยู่กับลมหายใจจิตนิ่งอยู่กับลมหายใจเราจะได้อะไรได้ความสุขได้ความสงบเมื่อทำสมถะกรรมฐานยังไม่ได้เดินปัญญาวนะิปัสนาไม่ใช่การฝึกให้นิ่งแต่วิปัสนาเราฝึกให้เห็นความจิตของกายของใจเราเห็นความจริงของกายเม็ดของใ จ, จ, งง ไ, มงใจไม่ได้ถ้าข้อหนึ่งขาดสติหรือกายหรือใจข้อสองมีสติ เฮ่งกายเฮ่งใจเฮ่งการรู้ไม่เหมือนกันรู้เนี่มันแค่รู้สึกเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานเราเป็นแค่คนดูท่านตัวเป็นแค่คนดูดูกล้ามที่นี้มันทํางานดูจิตใจนี่มันทํางานท่านตัวเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปบังคับมันไห้นิ่งส่วนใดเราจะไปบังคับพอรู้เราหายใจแล้วเราส่งจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่เราหายใจเวลาเราจะดูท้องของยุคแล้วเราส่งจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้อง เวลาเราจะเดินจงกรมเราส่งจิตไปเกาะอยู่ที่เท้านะจะรู้อีู่นี่ดาวปวดสีนะเราเราจริตไปทั้งบนนะแล้วก็กรองออกมาในร่างกายยืนเดินนั่งนอนารู้สึกว่าเดนจะรู้สึกแบบแข็งๆตัวแข็งๆทื่อๆการเที่ยงกับการรู้นี่ไม่เหมือนกันต้องแยกให้ออกนะคนส่วนใหญ่เนี่ยมึนมกายเงินใจขาดสติแต่นักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพ่งกายเพ่งใจไม่ใช่รู้กาย ร, รู้ใจหรอกพยายามรู้นะแทนการเพ่ง รู้ว่าเพ่ต่างกันเพ่งเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความอยากก่อนอยากปฏิบัติพรอยากปฏิบัตินะเช่นเราเคยหัดหายใจไปอยากปฏิบัติเราก็ไปจ้องลมหายใจไหมจิตเราก็แนบอยู่กับลมหายใจแล้วไม่ขยับเลยจิตนิ่งสงบอย่นะี้แต่เป็นสมถะกรรมฐานสมถะธรรมฐานมีประโยชน์เป็นข้อดีทําได้ควรจะทำแต่ทําสมถะธรรมฐานอย่างเดียวให้พอ้ไม่เกิดปัญญาจะไม่เห็นความจริงของกายของใจ ในผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะติดอยู่แค่สมรรถภาไม่ออกนะต้องถอดถอนจิตใจนั้นตัวเองออกมาให้เป็นคนรู้คนดูนะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนนึงใกล้กับใจจะแยกออกจากกันการเจะเดินปัญญาเนี่ยจุดตั้งต้นของการเดินสัญญาคือการแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกเป็นส่วนๆมันเหมือนอย่างเราต้องการเห็นความจิงของสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์เราคิดว่าเราจะมีอยู่จริงๆ เราจัมาถอดเป็นชิ claws, ช้นๆเราพบวพ่าลูกล้อไม่ใช่รถยนต์นไหวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์นะเกียร์เขไม่ใช่รถยนต์ถังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์เราถอดสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์ออกเป็นชิช้นๆแล้วเราพบวพาพ่ารถยนต์ไม่จริงๆราถยนต์เป็นภาพโลกตานี่เราอะไรจะมาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นๆเนี่ยตอนเรามาเป็นขันห้าเราเป็นธาตุเรเป็นอายตนะก็แล้วแต่นนะก็ทั่วไปที่เรียนกันก็ถอดออกมาเป็นขันห้า หรือร mm ูปกระนามกายกรใจถ้าย่อวิธีที่จะเราจะปฏิบัติธรรมวิธีที่จะเดินกันอยาล้วเราค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวเนี่ยใจลอยพอรู้สึกตัวขึ้นมาเราค่อยดูลงไปที่กายเราเห็นในร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่หางใจอยู่เนี่ยจิตเป็นคนไปรู้มันร่างกายที่ยืนอยู่ที่นั่งอยู่จิตเป็นคนไปรู้มันค่อยๆหัดแยกเนี่ย ถึงจนหนนะเราจะสามารถแยกได้แล on ้ร <genuine, S 2> ่างกายอยู feature, so, ่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งใกล้กับจิตนี้เป็นโคนละไม่ใช่อันเดียวกันของเราเนี่ยกายกับจิตมรวมเป็นก้อนเดียวกันนะถ้าทําสมาธิก็ยิ่งเป็นก้อนเดียวกันหนักขึ้นหรืออย่างมากที่สุดนะร่างกายอายไปกก็จะจิตอันเดียวหรือไม่เดินปัญญาสองว่างๆสบายอยู่นั่นเองแต่ถ้าอยากเดินปัญญาอยากได้มาผลนิพพานมาผลนิพพานเนี่ยถ้าไม่เดินปัญญาและไม่ทํำวิปัสสนาไม่มีวันที่จะถึงไม่มีวันบรรลุถึงได้เลย แล้วถ้าอยากได้มาผลนี้มานจริงๆนะค่อยๆหาดแยกแยกายแยกใจเอาเองร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายนนากาที่หายใจออกมันเป็นสื่อที่จิตจะรู้เข้านะจิตอยู่ตาหากนจิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจเข้าก็เป็นสื่อที่จิตจะรู้เข้าเป็นของที่จิตจะรู้นะจิตอยู่ตาหากจิตเป็นคนดูร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะจิตเป็นคนดูร่างกายที่ปวดที่เมื่อนะก็เป็นจิตมันเป็นคนดูค่อยๆสึกเอง แยกกายแยกใจออกจากกันตอนนี้คนที่เรียนกลวงพ่อแล้แยกตัวนี้ได้นะักจํานวนไม่ถ้วนไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นคนทําได้อย่างนี้ยยเยอะแยะไปหมดเลยที่เราทําไม่ได้เพราะเราไม่เคยมัวรู้รต้องแยกเราคิดแต่ว่าเราทําบุญไปไหว้พระสวดมนต์ไปใส่บาตรใส่นะ้ำระมนติฐานแต่ละวันหนึ่งจะได้ไม่ได้หรอกคนเรื่องนกันถ้าอยากได้มากผลนี่ผ่านจริงๆนั่นะมายถแย ก, กายแยกใจตัวเองเหมือนมาตัดรถจักรหนออเป็นชิ้นๆแล้วเพื่อกันหนึ่งจะเก่งนั่งรถจักรไม่เหม เรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆวนก็วันหนึ่งเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องต้นทํำอะไรอย่างนี้นั่งอยู่อย่างนี้นะ ก, กําลังนั่งอยู่เราก็อยรู้สึกตัวแ ท, ที่ร่างกายไม่ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าจิตมันเป็นคนรู้ร่างกายหายใจอยู่าในี้ใจเป็นคนรู้พึกอย่างนี้บ่อยๆนั่งไปนั่งไปมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาความปวดความเมื่อยแต่ร่างกายเนี่ยเป็นคนร่างกายร่างกายยังอยู่กับที่ไม่ได้ขยับไปเยื่อนเลย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 ที่เราแยกได้สามขันแลนะขันแรกคือร่างกายเรียกลูกประขันจิตของเราเรียกวิญญาณขันนะความปวดความเมื่อยเรียกเวทนาขันแยกขันห้านะพอเวลาเราปวดเราเมื่อยขึ้นมาใจเราแชกกระแสกระสายอยากเกิดียดียากปวดความกระสับระสายของจิตความอยากเกิดเป็นียดีอยากปเป็นสิ่งที่แปลกหลอกดึ้นมาทีลันอีกงั้นตอนมันเกิดกรสับกรสายขึ้นมาราับให้ดูลบที่ครากระสับระสายก็เป็นสิ่งที่จิตจะรู้เข้าควาระสัระสายก็ไม่ใช่จิต ต้องเราชาคิดนะว่าจิตกับสัตว์ปสายหรือเรากัะสับกระสายถ้าห่างทวานานไปหัางแยก้าตุแยกขันธ์ไปเรื่อยนะเราจะเห็นว่าความกรสับกะสายก็ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วค่อก็แยกนะสิ่งที่เรียกว่าเราแยกออกเป็นส่วนๆร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งหนึ่นะ <c oughs> ความรู้สึกสูตรู้สึกทุกอย่างเช่นความปวดความเมื่อยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่กายไม่ใช่จิตความปรุงแต่งปรุงดีตรงชั่วเช่นกิเลสโลรคกลดโลงทั้งหลายก็ไม่ใช่จิต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 ถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูพอมันปวดไหวขึ้นมาจิตกระสับกสายผู้ร่อนผู้ไรขึ้นมาเร า, รราจะเห็นเลยความกรสับกระ ส, ระ ส, ระสยรรายผู้ร่อนผู้ไรก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่จิตเลยไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยฝึก น, นะค่อยฝึกแยกขันออกไปแล้วขันแต่ละขันมันจะแสดงให้เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราเรื่องการเดินปัญญานั้นไม่นหนีไม่ค้นการแยกรูปแยกนามแบบเนี้ยอันนี้เป็นพื้นพื้นเลยนะบางคนไปแยกเป็นพยาธินะตาหูจมูกนิ้วการใจอย่างนี้ก็ได้ แยกเป็นธาตุา 24, สิบแปดธาตก็ได้แยกเป็นอินทรีย์สิบสองก็ได้นะวิธีปฏิบัติมีตั้งเยอแนะแยะแต่ง่ายๆนะอันแยกกายแยกใจแยกจนวันนึ่งเหตุความจริงในกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราสังขารที่เป็นผู้สมัครผู้สมไม่ใช่ตัวเราจิตเองก็ไม่ใช่เราจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจิต เ, เ, เ, เ, เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปเลย เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็กลา ย, เ, ยเป็นผู้ปเปรี้ยงเปเจ้ยวนะเข้าไปแทรกแสงสตารวาทั้งหลายถ้แยกออกไปแนละ้วแยกขันออกไปทีละขันทีละขันแล้วก็ดูลงไปดูความจริงของมันไปขันแต่ละขันไม่มีตัวเราไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่แรกแล้วการภาวนาเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อรักความเป็นตัวตนนะความเป็นตัวต น, ะวมนตวตไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีแต่หมูผิดไม่มีตัวตนเพระงั้ที่เราภาวนากันแค่เป็นแค่ตายเพื่อรักความเห็นผิด สีเนี่ยนะทันไปเพื่อรักการทําบาปมักคุสมหยาบหยาบทางกายทางวาจาสมาธิเนี่ยทันไปเพื่อรักความคุุกซ่านวุ่นวายทางจิตส่วนปัญญาเนี่ยรักความเห็นผิดรักความเห็นผิดเมื่อไหร่นี้ใจนี้เป็นเรามีเราอยู่จริงๆเพราะจับมันแยกเป็นส่วนๆแล้วเพราะว่าตัวเราหายไปแล้วนอจกจับแล้วจนมันแยกเป็นชิ้นๆแล้วจนก็หายไปพอถึงตรงนี้เราจะเห็นความจริตัวเราไม่มี ผู้ที่เห็นความจริงตัวนี้จะเป็นประโสดบันนะปุถุชนจะไม่เห็นควาจริงตัวนี้ปุถุชนจะมีความเห็นผิดตลอดเวลาว่าตัวเรามีแลง้นถ้าพวกเรารู้สึกนะเย่าเนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราตลอดเวลาเลยเราเพราะเราอยู่ตลอดเวลาเลยเชื่อจริงๆแล้มีเราถ้ามีเราแล้อีกของเราใช่ไหมก็มีเขามีของเขาขึ้นมามีการแก่งแย่มีการช่วงชิงมีความขัดแย้งนานาชนิดเกิดขึ้นมันเร่มมาจากความมีตัวมีตนเอง ดนั้นถ้าตอบความความเป็ี่นปิดว่ามีตัวมีตนนั้นกิเลสจะเบาบางไปเยอะเลยเพราะตัวเราก็ไม่มีแล้วจะทาอะไรนักหนามีชีวิตที่พอเพียงก็พอพอดีแล้วนะถ้ากาวนามากก่อนั้นขึ้นไปปัญญาแก่รอบขึ้นไปจะไปอยู่ระดับหนึ่งปัญญาเบื้องต้นที่ทําให้ได้เป็นพระโสดาบันนี้ก็แค่เห็นว่าตัวเราไม่มีหลังนะจากนั้นแปรภาวนาต่อไปอีกก็จะเห็นอะไา ทั้งๆที่ตัวเราไม่มีนะแต่ปทีจิตมันก็มีความอยากขึ้นมามีความยึดขึ้นมาเมื่อไรอยากเมื่อไรยึดเมื่อนั้นทุกเมื่อไรไม่อยากเมื่อไรไม่ยึดเมื่อนั้นไม่ทุกถ้าจิตมีปัญญานี้นะจิตจะไม่แส่สายออกไปทางตาดวงจมูกลิ้กายไม่เที่ยวผิวอารมณ์จิตจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่งนั้นทั้งวันต้องตื่เต้นไปเข้ารักษาเลยมีสมาธิบริบูรณ์นะเพรามีปัญญาปานกลางอันนี้เป็นภูมิธรรมของอพระอนาคามีดังนั้นเาภต่อไปอีกจ น, น, นมรรลุการเห็นความจริง จิตนั้นจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดจิตก็เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองขันทั้งหลายเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองขึ่งชื่อว่าขันไม่มีกคำมัพท์เลยขึ่งชื่อว่าขันแล้วมีแต่ตัวทุกข์เราเห็นความจริงอย่างนี้นะจิตมันจะสละคืนขันให้โลกไปไม่ยึดถือขันแล้นะจะเวียงขันโยนทิ้งไปนโยนลงเหวไปเลยสละดทิ้งแต่จิตเป็นอิสระจากขันจิตกล่าออกจากขันจิตเป็นอิสระจากขันขันมีอยู่แต่จิตไม่เข้าไปเกาะ จิตเมื่อถ้าไปยึดถือเพราะฉะนั้นไม่ว่าขันจะแตกขันจะดับนั้นขันจะเสื่อมสูญแตกสลายยังไเนี่ยจิตไม่ทุกข์ด้วยเลยเฉพคนทุกข์สิ้นเฉยเลยตรงเนี้ยเมื่อไรเราไม่ยึดถือกายยึดถือใจนะไม่ยึดถือขันไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเราจะไม่ทุกข์เราทุกข์เพราะเรายึดพระเจ้าทรงบอกนะถ้าเรามีนาเรายึดนานะเราทุกข์เพราะนากลัวคนอื่นเข้ามารุกนาเรามีวัวก็ทุกข์เพราะวัวนะกลัวคนมาขโมยมีรถยนต์ก็กลัวคนมาเอาไป มีบ้านก็กลัวไฟไหม้กลัวเปลือกขึ้นนะมีอะไรก็ทุกขนะ์เั้นมีร่างกายก็ทุกข์เพราะร่างกายนะมีรูปก็ทุกข์เพราะลู ก, ก, ะลกนะมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีมีอะไรก็ทุกข์เพราะนะั้นแต่ถ้ากลายบานแล้วไม่มีอะไรนะคืนให้โลกไนะปปัจจุบันจะอยู่ที่ไหนความทุกขก็อยู่กัโลกไม่เกี่ยวกับเรานะฉะนั้นพวกเรานะบุญนักหนาเราเกิดมาในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่ เรามีพระมหากษัตริย์ที่มีคุณธรรมนี่เรามีสิ่งที่ดีที่วิเศษหลายอย่างประเทศอื่เขาไม่มีอย่างเราพวกเราถือว่าพวกเราทุกคนนะที่เกิดมาในแผ่นดินนี้เป็นคนมีบุญนะนี่เรามีบุญและเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะเหลืออยู่อย่างเดียวเอาไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมะธรรมะนั้นเอาไปฟังเรื่อยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะคนฟังธมาตั้งหลายปีแล้วถามว่าได้อะไรบ สบายใจหรือได้วู้งานนะเบางคนนะั้นชอบมากเลยวันไหนมีฟังธรรมะแล้วได้อู่ไม่ต้องทํางานอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องนะ้เราธรรมะฟังแล้วเราต้องลงมือปฏิบัติให้ได้วิธีปฏิบัติทํำง่ายๆนะง่ายเลยรู้ทันใจตัวลงไม่บ่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตใจเกวเงได้นะคนที่ไม่เคยมีสีมันจะมีสีขึ้นมา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 อย่างความโกรธเกิดขึ้นความโกรธครอบงำจิตได้เราถึงไปฆ่าเขาได้ถึงไปตากเขาได้ถึงไปตีเขาได้ความโลภเกิดขึ้นความโลภครอบงำจิตถึงไปขโมยก็ได้ไปชั่วเขาได้เนี่ยหรือไปโกหกหลอกลวงเขาได้เราผิดสีลขึ้นมาเพราเราถูกกิเลสหนึครอบันจิตเอาแต่ถ้าเราคอยรู้ทานจิตใจของตัวเองนะคอยรู้ทานจิตตัวเองบ่อยๆจิตขยับไปเยื่อแฝงไหมจิตโศจิตทุกขจิตดีจิตชั่วไปรู้ทันเรืย เกิเลสเกิดขึ้นมาพอเรารู้นะทันนะกิเลสจะดับทันทดีดับเองทันทีที่สติเกิดอคูสนใดๆที่มีอยู่จะดับโดยอัตโนมัติเลยนี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นกฎของธรรมะเลยอคูสนนะ่อคูสนจะไม่เกิดร้องกันเพฉะนั้นถ้าเรามีสติแนะอย่างใจเป็นโกรธขึ้นมารู้ทันนะหรือใจใเป็นโลภขึ้นมาเพื่อเห็นท่า น, ำนาอำนาจแลวดูท่านดีอยากเป็นอย่างท่านบ้างมีแย่งตำแหน่งท่านเลยเนี่ยอย่างนี้เรียกโลภ เรามีสตารู้ทันความโรคในตาไปก็เราก็ไม่ทําผิดสีที่เกิดขึ้นเองมัจะเกิดความละหายใจละหายที่จะทําชั่วเกลงกลัวผลสมบัติเราได้ยินคําว่าฮีริโอตาปะฮีริโอตาปามามาจากที่เรามีสติรู้ทันใจของเรานี่เลยเรารู้ทันในเหตุเด็ดเกิดขึ้นนะเราละนายใ จ, จยตัวเองเลยที่จะทําความชั่วละหายตัวเองแล้วสีไมนจะเกิดขึ้นแต่รู้มาก แล้วท้าใจเราฟุ้งซ่านไปเรามีสติรู้ทันจิตใจเราฟร้งซ่านไคิดไปในทางการเมืออยากโน้นอยากนี่นะคิดไปในทางขยบาบาิดเบี้ยงทำร้ายเขาเรื่องอันนี้ไปเรามีสติความรูท้ทงนไปหรือสงสัยสงสัยในพรตัตนาไตรสงสัยไปเรื่อยเรามีสติรู้ทันไปนะกิเลสพวกนี้ดับไปกิเลสพวกนี้เป็นกิเลสระดับกลางหรือวันทีว ม, มีห้าตัวนะเปหารอง ถ้ามีสติรู้ทรนนิวรณ์นิวรณ์ดับไปสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพรนิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธิให้เรามีสติรู้ทันจิตแล้วก็มีศีลนะมีสติรู้ทันจิตใ จ, ใจเองเราก็จะเกิดสมาธิใจจะตั้งมั่นขึ้นมานะมีสติรู้ทันจิตใ จ, ใจเองไปเรื่อยๆจะเห็นว่าจิตนะทุกชนิงนะจิตที่โสดจิตที่ทุกขจิตที่ดีที่ร้ายเกิดระดับทั้งสิบอันนี้คือปัจจาย แล้วเราฝึกไปเรื่อยนะศีลสมาธิปัญญาเราจะแก่รอดขึ้นรื่ได้ถึงมันหนึ่งบิมุตจะเกิดขึ้นความเบืกอพนจะเกิดขึ้นอย่ามาขอกิมุตนะขอกันไม่ได้ต้องทําด้วยตัวเองแล้วเรียนนะฟังธรรมมาแล้วต้องไปทํานะมีสติรู้รรรทันใจของตัวเองนบ่อยๆเป็นวิธีกรรมฐานที่ง่ายที่สุดรู้จังง่ายยังไงละ่ะใจมันโกรขึ้นมาก็รู้ใจมันโลกขึ้นมาก็รู้ใจมันดีใจเสียใจใจมันสศกใจมัทุกข์ พอรู้ทันใจของตัวเองเร่งๆอย่าไปยุ่งกับมันจะ่าไปแทรกแซกเอาแค่รู้นะสีสมาธิปัญญาจะค่อยๆแก่รอบขึ้นมาถึงวันหนึ่งมันแก่รอบพอสมควรวมันพิมพ์ก็จะเกิดขึ้นเองออนี่มันคือความหลุพ้นจิตมันุดพ้นจาอาสวัตกิเลสที่มันยอมใจเอาได้กิเลสยอมไม่ได้อีกต่อไปแลนะ้วจิตมันหลุดพ้นจะอาสวัตนะค่อยฝึกไปนะฝึกไปความธรรมพอสมควรนะมีเวลาเล็กน้อยใคร อยากคุยกับรองพ่อเชิญใครจะถามเชิญเราคนในวังนี้ก่อนนะ้ไหมรู้สึกพวกที่ยอมองอยนะเป็นพวกพิคุณหน้ามาเกเลยเราแค่แปนกใจขอเชิญครับเจ้าเจ้าหน้าที่เจ้ของขตำแหน่งขอท่านใจมีต้องถามขอเชิญสักลองให้คนหน้า ก, ก่อนก็ได้เห็นเป็นตัวอย่าง เป่งก um ันยนะมชักสิบคนครับมาสิข้อถามมาท่านใดมีคถามาเชิญครับเชิญเลยครับรเลยอนั่นแหละที่การยกพเล่ต้องคุยเพื่อะไรักกพ่อครับสาทางนาแก้วตื่ยถามนว่ากการพ่อครับผมมีปัญหาพอกราบเรียนถมพ่นะว่าพ่อเด็กล็กเาม่แตง ได้ฟังทีวีหลวงพ่อมาสระมาณสามปีแต่ว่าในการปฏิบัติก็เยียดบ้างหายบ้างปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างตลอดแต่ว่าสองปีมานี้ที่ได้คฟังทีวีหลวงพ่ อ, อ, อมีคำถามที่ถามพ่อประมษณสามคำถามนะครับคําถามแรกคือขณะที่รู้จิตกับดุกายใช่ไหมคือมีความรู้สึกว่าบางครังเราเห็นจิตกายที่มันเป็นทุกข์ แต่อย่างเช่นฟังซีดีของพ่อั้นแรกเห็นว่าขณะที่เราหายใจเห็นกายที่มันหายใจเห็นกายที่มันขยับเห็นกายที่มันมีความรู้สึกว่าเป็นรูปตัวนั้นเป็นส่วนนึงอีกครั้งงที่ปฏิบัติไปจะยืนเขวนแขนหรือเดินไปจะเห็นแป๊บหนึ่งที่กายมันแยกออกราอกกันแล้วขณะทรงธรรมันที่ผ่านมาเราไปตั้าเขาสมมาา ก็มีความรู้สึกวขข่าเห็นกายมันขยับเหนกายมันสดมันเมื่อยเห็นความเปลียนทุกข์อ<ม>ืมแล้อีกคำถามนึเอสื่อสิ่งที่ปฏิบัติมาจะให้สุดเจริญไหมแ้บเขาดกายไปแล้วันแหละดูนะนะกลายไปเลยเห็นมม้ร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะร่งางกายไม่ใช่ตัวเราร่งางกายเป็นหุ่นยนตัวนึงเคลื่อนไหวเปลียนแปลไปเรื่อยๆดูอย่าง้แร่อย ๆ, ๆไปนะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราจิตเป็นคนดู แล้วจิตเองบางทีก็รู้ตัวอยู่ใช่ไหมบางทีก็หลงไปนม่ออกไหมบางทีก็ร <ạ. S 2> ู้ตัวบางทีก็รู้สึกตัว <ạ. S 2> แ, ลแล้วเราก็ความรู้ทันะเนี่ยตาให้จิตนี้ไปคิดนะครับจิตนี้ไปคิดโู้ทันแะจิตนี้ไปคิดเนี่ยไคิดอีกแล้วทรยบไหมไปดูกายนะดูกายแล้วจะเห็นจิตชัดแล้วไอ้สิ่งที่เราบอกเอมันเห็นความเป็นทุกข์เป็นการพูดเองหรือว่าจิตมันจริงตมันเจริงนะแต่อย่าเห็นไก่อ แต่เห็นทองแลจะได้ธรรมะนะก็คือแบบไม่ เ, เกินนิสัยนะที่มนุษย์ปกติคนหนึ่งคนหนึ่งจะปฏิบัติได้นะค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมานะค่อยเห็นแต่ร่าง ก, กายมันอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจเป็นคนไปรู้เห็นเบญธนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตมันเป็นคนไปรู้ก็ค่อยๆฝึกแบบนะเห็นกิเลสอยู่ส่วนหนึงจิตเป็นคนไปรู้ฝนะึกอย่างนี้เรื่อยๆไปสักวันหนึ่ง 1, ปัญญาก็แจง้งทุกอย่างไม่มีตัวเราเลย คราวนี้ฮะเรียนะถามหลวงพ่อนะครับมันพอได้ใหม่ก็จะมีความรู้สึกใจทานครับเมื่อกี้ฟังซีดีหลงพ่อมาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อที่ที่ศรีนาชาหลวพ่อก็บอกว่ า, าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะใช้ความคิดเยอะนะครับแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็เลยฟังซีดีหลวงพ่อ ก็อยากจะเรียนถามผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครับ ท, ที่ปฏิบัติอยู่ก็คือพยายามดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันครับอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเกิดมาความรู้สึกแรกอะไรก็คือคขี้เกียจจะทํางานออืนะครับก็เห็นว่ามันขี้เกียจพอสักพักหนึ่งก็ก็กจะรู้สึกถึงความรู้สึกปวดเมื่อยในร่างกายอืนะครับก็ก็ดูดูความปวดเมื่อยไปแล้วพอลงมาที่ข้างล่างปุ ก, ก็เจอว่า ลูกชายเนี่ยยังการบ้านไม่เสร็จแล้วทำให้ไปโรงเรียนสายก็เกิเดความโลรธความโลดเนี่มันแน่นจี้ขึ้นมาแบบที้นะครับก็ก็<ค>จะเห็นตรงนั้นทุกวันเนี่ยก็จะปฏิบัติอย่างนี้ก็คือเวลาวมันเกิดขึ้นเราก็เอันหนที่หลวงพ่อบอกก็คือว่าให้ให้เก็บมือไว้อแลก็ให้ดูดูมันไปแล้วก็ก็จะบอกตัวเองว่าเออช่างมันเดี๋ยวดูมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ก็เป็นมันก็เกิดความคิดว่าพอ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 เอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องภาัานะานาภาวนาทำอย่างบบนั้นแหละแต่ต้องแยกกันบอกนะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจขอาเราเนี่ยสับว่ารู้สับว่าเห็นตามรู้ตามตื่อเฉยๆไม่เข้าไปแทรกแแต่รูกไม่ทํากันบ้างเนี่ยสับว่ารู้ว่าเห็นไม่ได้นะ <c oughs> คนละเรื่อง ก, กันนะคก็ <c oughs> หาทางให้ทำกันบ้างแต่ส่วนของจิตใจเรานรู้ทันที่คนตื่อยู่ใช้ได้นะ ใจมังร้องเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้มาเขาพูดนะแต่เลยหลไปเลยตอนนี้การกราบนวัานการค่ะหลวงพ่อก็อููก็จะไปกราบหุวพ่อที่สวนสันติธรรมส่ันบ้านหลายครั้งแล้วที่จะบอกว่าหนูมาจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็ครนี้ก็ขอส่งคันบ้านช่วงนี้ช่วงนี้เหมือนจะไม่ค่อยทาในรูปแบบเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนจะทาใน เยอะขึ้นนะคะหล่อไม่อน้ำไ่อใจไ้นค่ะรูสหมเหมือนจะูง่ายคือช่วนี้ห่แต่จะปล่อยไฟูงมีข้อแนำยงไงบ้างคงาในรูปแบบด้วยนะค่ะเใน้กำลังไม่พอใจไม่มีสมาธินหารในรูปแบบก็คือการเพิ่มกำลังของสมาธิ ฉวนทุกวันไล่พระส่วนนวลนั่งสมาธิเดินโยคลมการจะทำงานเหตุจริงจะทำงานดูอย่างนี้ทุกวันทุกวันจะได้มีแรงจะได้แรงน้อยเกินไปจะพุ่งหน้าเข้าพ่งปเดิปัญญาให้ได้จริงหรออ๋อค่ะได้ค่ะแะปาราหน้าค่ะหลวง้อค่ะจะขอให้คุณแม่ส่งการบ้านจริงๆนะคะค่ะดูต้องเป็นคนที่เข้าัดนะอ๋อค่ะขอใหท่านหนึ่งได้ไหค่ะ ไหนคุณแม่อย่ไอาคุณแม่ตื่นเต้นการรบกรพการของพ่อก็คือเอ่อยงปกติก็ปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าคือจะไม่ค่อยจะแบบเอ่อได้ได้ครับองนี้อยนี้ในการบ้าน แค่ความสีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะค่ะเพราะว่าแล้วก็อย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งนะคะเพราะปกติตัวเองจะชอบสมถะมากนั่นแหละค่ะนั่นตอนนั้นแหละอ่าแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ยามที่จะเอโยนจะเดินสายของอ่หลวงพ่อพุธมากกว่าก็เลยแบบจะนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งเลยค่ะ นิ่งจนแบบผ่าผู้โถผุ้โถต่อแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยแบบว่านั่งจนตั้งรู้สึกไหมตอนนี้จิตเป็นยังไงรู้ค่ะรู้ว่าวันนี้ได้มาตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่รู้อย่างนั้นรู้แต่ใดค่ะรู้ว่าวันนี้ขึ้นมาปู่ผีใครๆก็รู้คนในปัติเขาก็รู้นะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะมาพู ที่นเจ้าค่ะเรากำลังพูดอยู่ก็ยังไม่ใช่ลีบาสนาอือเพราะงั้นก็จะถามหลวงพ่อว่าอย่า ง, า ง, าางที่อันนี้คือตัวเองเนี่ยค่ะเวลาวัานนะั้นวนนี้วันหนึ่งนะคะคือแบบดูตัวเองแล้วทีนี้พอมันป๊บหนึ่งคือวันนั้นรมแบบว่าเอ่อถ้วยที่ล้างอยู่เนี่ยค่ะมันตกแตกปุ๊บเนี่ยคะทีนี้เรากแบบ็แบบแปบบ๊แบหบนึ่งขึ้นมาบอกว่า โอ้มันก็เหมือนว่าสังขารของคนเรานี่มันก็เป็นเหมือนถ้วยนะเนี่ยนะแล้วทีนี้มันก็วัดขึ้นมาแล้วก็ทีนี้รู้สึกว่าเนี่ยโยโยหลวพ่อให้กันบ้านดีกว่า <c oughs> อันนี้จะเจอคำถามว่ามันเป็นอะไรให้กันบ้านนะค<ฆ>่พอไว้แล้วรู้ทังจิตไป<อ> พ, อ, อ, พอพุทโธพุทโธนะพอจิตโครสร้างจิตแอบไปคิดเนี่ยรู้ให้ไวไวไวไหมไวขึ้นใช่ไหมคะไปฝึกให้รู้ไวไวเวลาจิตแอบไปคิด แล้วพุโธพุทโธพโนจิตนี้ไปคิดแวะรู้ทันพุทพโธจิตนีไปคิดแวะรู้ทันสึอย่างนี้ไปบ่อยนะให้คนติดบ้านให้แต่บ้านคนนไปทานะไม่งั้นไม่ไหวอกถ้าพุทให้จิตนิ่งนะพอเลิกกดเมื่อไหร่จะฟุ้งน้จะฟุ้งคนั่วไปการน้ำสกาพร้อมง ได้ปฏิบัติโดยการส่วนใหญ่และเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในหนังสือเป็นส่วนใหญ่ครับอืและครั้งสุดท้ายประมาณสี่เดือนสุดท้ายครูบาอาจารย์ก็อยู่ในซีดีนะครับ<ม>คือหลวงพ่อเขปฏิบัติโดยโกายดูเนลาบ้างดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นบ้างก้าวเห็นคือมันมีตั้งใจง กาาาารรทํบ้สอยากจะทราบว่ามันจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรดูต่อไปนะอย่าไปปกะรองใจนิ่งนะอย่าตอนนี้กดเอาไว้ดูออกไหมอย่าไปกดมันมันมันมันสั่นมันตื่นเต้นร่างกายสั่นต่างกายมันสั่นดูมันไปร่างกายที่สั่นอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายมันสั่นไปแห็นจิตที่ตื่นเต้นเห็นไหมจิตมันตื่นเต้นได้เองมันไม่ใช่เราหอกเราสั่นมันไม่ได้ นะพปรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะจิตแอบไปคิดทักบไหม<ะ>นะครับครับครับไปยังคิดไม่เรื่อแบบนะรู้ทันนะเวลาจิตจะไหลไปคิดน ะ, ะรู้บ่อยๆแนละ้วสติ จ, จะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเวลาจิตจะไหลไปคิดเราจะเลื่อมการเลื่มใจพอรู้ทันว่าเวลาจิตจะไหลไปคิดเราจะตื่นขึ้<ะ>นมาแต่ลองไปคิดอีกแล้วทราบไหม<ะ>ครับครับครับไปไหนวนะ ไปฝึกต่อนะฝึกครับข้มาศการหลวงพ่อค่ะพอดีหนูเพิ่งก็เคยดมาฟังท่านครั้งแรกนะคะแล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิอยู่พี่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนไหม่ๆที่จะเริ่มเยังควรจะเริ่มโดยการ น, นั่งสมาธิก่อนหรือว่าดูจิตก่อนคะดูจิตไปก่อนของคนจะริตนิสัยเนี่ยให้ไป น, น, นั่งสมาธิมันไม่สมองหรอกค่ะก็<ฮ>ะเกิดนิสัยใจคอแล้วเ็คนช่างจิตนะที่คิดไม่เริ่ม เพ้นโอกาสที่ว่าจะนั่งให้จิตสงบแล้วมาเดินปัญญาเนี่มันมีน้อยนะวันวันหนึ่งมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายเราไปนี้สังเกตใจตัวเองคิดอันนี้ไปจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ทันไปคิดไปเรื่องนี้จิตใจมีความทุกข์ขึ้นมารู้ทันรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นหนตัวเองนะคิดเรื่องนี้จะนัโกรธรู้ทันว่าใจกําลังโกรธอยู่รู้ทันจิตตัวเองนี้บ่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงนะ แล้วถึงวันหนึ่งค่อยมาฝึกสมาธิจะฝึกง่ายใช้ปัญญานาไปก่อนพอเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านรู้ทางจิตที่หลงไปรู้ทางจิตที่โกรธไปอะไรเงี้ยรู้บ่อยๆนะจิตจะเริ่มสงบกอจิตสงกนั้นอ่ะเราค่อยมาทําความสงบกี่หลาก็ได้นะใช้ปัญญานําไปก่อนแต่บางคนไม่เหมือนกันหอกนะอย่างเขาควรจะเริ่มจากสมาะจิตมันไม่สงบง่ายหรอกแกค่อย่างก็เป็นแค่อยางเมื่อกี้เมือนกัน เรื่งฟังเนี่ยหนูก็หลับตาก็เหมือนกับฟังท่านฟังฟังอาจารย์ก็ยังฟังอยู่แต่เป็นเหมือนเค็มๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เารู้ว่ามันเค็มๆอย่างนี้เรียกว่าสุจิหรเปล่าครับอ๋อสุจิตสิ้นแต่ก็ยังได้ยินตอนหลันหลักได้ยินแม้ไม้ได้ยอย่ารู้สึกตัวบ่อยๆนะอย่ารับรับไม่ดี ถ้าเจอคนต่อไปมีไหมแต่วิบากเลยไหมการรับการของพ่อนะครับพ่อว่าพ่ออยู่กัการเรียนอยู่แล้วก็ทำกิจกรรมมากมากเป็นคนช่างจะกดดยนเดือนะมีหน้าที่เรียนนะไม่ใช่หน้าที่กิจกรรมบริการไว้เรื่อยๆนะอยากพุทโธพุทโตไปก็ได้นะ ปัจจัยเราเนี่ยมืโผมาง่มันจะซึมง่ายดูออกไหมนะให้เราพุกโธพโธพุทโธไปนะปัจจัยนี้พิจิตรู้ทันพุทโธพุทโไปนี้พิจิตรู้ทันนะให้จิตใจมันตั้งมั่นอยู่แ้สตัวขึ้มาการเรียนก็จะดีขึ้นเรื่อยรู้ทนใจที่มันวิ่งแต่จะวิ่งตลอดใดๆให้เห็นไหมว่จิตใจมันวิ่งไปที่หลวง่อเดี๋ตเี้ยนใจอยากพูดรู้สึกไหมมันมีความอยากดันขึ้นในน้ำมกเสียงตานาเกิดดังดั สตรู้ทันก็จะขาไปให้รู้ทันจิตใจเองไปแต่ว่ารู้วันในซ้อมพุทโธพุทโธพุทโธไปนะพุทโธเราก็รู้ทันจิตพุทโธเราก็รู้ทันจิตให้ฝึกอย่างนี้นะไปทำติดแนบลมหายใจนะจะเจ้าใส่ลมจะเจ้าอย่างเวลารู้มลมนะจิตเนี่ยเคลื่อนดีอยู่ที่ลมนิ่งอยู่กับลม อันนี้ได้แต่สวัสดิ์แต่ถ้าเเป็นร่างกายไม่ไหน่ใจจิตไม่ไปอยู่ที่ลมหายใจนะจิตรู้ตัวนั่งตัวรู้ตัวผู้ครอบรู้อย่างสบายเี่ยเห็นท่านท้ายท่านตัวอยูอย่างนี้ถึงร่างการแม่ใจจิตเป็นแค่คนดูจิตคือตาหาอันี้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมืนเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แต่ถ้าจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจหรือแต่เคลิๆลงไม่คิดเท่าทราบไหมเนี่ยใหรู้ทันอย่างนี้นะจิตหลงกันแล้วรวยไว้อ่าไป เป็นปรเนรื่อั๊บน้วมัสกัดงานหลง่อค่ะคือเป็นโยมเนู้ปฏิบัติใหม่คะอยากให้หลวงพ่แนะนาว่าเอาคุณนน้นเป็นเครื่องไหว้ร่างกายนะป็นดุกกระดิกไว้อย่านั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆเจะให้เอาให้เงาอนนะพยายามเดินพยายามทำงานปัดบ้านปูบ้านอะไรเงี้ยแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปได้เลยนะช่ี้เป็นเดือนแรถ้าเป็เดนจะนั่งสมาธิเฉยๆหลว็พ่อไปเครียรตัของเรา อยองก่อนต้องสังหารหลูพ่อกันลองดู่ก็ได้ครับเงได้ฟังซีดีจากผู้อาชญ์นะคะไม่ฟังมาหน้าหัวเสือก็ฟังมาเรื่อยๆมาแล้วก็มีอยู่วั น, นหนึ่งยองน่ายงไปแบบไม่ว่า วัะนั้นยงไม่เห็นรบบเนื่อว่ามันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวอะรอย่างเแต่ว่ายงเห็นแค่ทิ้เดียวนะคะยมจะอยากเห็นนะถ้าเราอยากเห็นจยู่วัจะไม่เห็นนะแต่ว่าฝึกของเราได้ฟังซีดีไปเรื่อยๆจิตขรงยงก็เริ่มตื่นเริ่รู้สึกว่าเหมือนเราต่นขึ้นมาจริงๆใจมันค่อยๆตื่กขึ้นมาเรื่อยๆยงกาอยู่ใช้ได้นะขอบคุณไปฟังซีดีบ่อยๆนะ ซีดีของ่อจะแจกฟรีแล้วันนี้ไม่ได้พกมาแจกเลยเป็นดาวโหลดฟังเราครัไม่มีขายเชินการพนมสิการของพ่อ อ, นน อ, อยากจะกลาเรียนถามของพ่อว่าบางทีช่วงที่ ผมเคยเคยนอนฝันครับฝันนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เราฝัน ม, ม, มักจะมักมัเหมือนกับจะเรลงมาใร ล, ลวงหน้าแต่ว่าจะปรากฏในความฝันสิ่ีที่เขาเรียกว่าอะไรจิตเนี่ยมันเป็นธรรมาชาติรู้นะจิตเป็นผู้รู้ที่มันก็รู้อดีตรู้อนาคตที่เป็นเรื่องปฏิบติบางคนก เ, เป็ น, เ, นเป็นเรื่องปฏิบตินะแต่ที่สําคัญกว่า น, นั้น อ, อันนั้นมันเป็นของแถมของจริง ให้รู้ความเปลี่ยนแปลงในการใจใจเร่ได้เราจะได้ของจริงในมันยืนต้านานแต่ท่านาราพาเราประคองจิตให้นิ่งจิตมีความสุขมีความสงบเฉยๆเรได้สมถะก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าปัญญาจะเกิดยากของท่านนั้นดูกายแล้วก็อย่าดูเฉยๆดูกาย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 ผมผลึกปั่นหนังได้ไล่ขึ้นไล่ลอยู่ในร่างกายอยาให้จิตสงบอยู่เฉยๆจิตสงบอยู่เฉยๆได้แต่สมถะให้จิตออากาเดินปัญญาบนวัดพิจนาอยู่ในกายบ้าต่อไปจิตหันจเคลื่อนไหวลรลัศมีให้จ ะ, ะระลึกได้ในตอนนี้จิตเป็นคิดนั่นสักไหมจิเป็นไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันว่าไรมีปคิดคอรู้สึกคอรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกหมดามเพื่อวันหนึ่ปัญญาเร็บเกิด มาก่อนิพ่พานจะเกิด<ะ>ไม่ได้เลยถ้ญญาขาดปัญญาเราท่านสมาธิอีกแล้วท่านสังเกตไหมความรู้สึกของเราที่จะกระจายกว้างๆออกข้างนอกสึกไหมแต่มจะโล่ว่างสบายอยู่ข้างนอกนะอันนี้จิตมันกระจายออกข้างนอกไปถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันกว้างๆออกไปมันไม่ยอมย้อนมาดูกายอดูใจเพราะฉะนั้นน้อมใจกลับเข้ามาที่กายน้อมใจกลับมารู้สึกการรู้สึกใจบ่อยๆ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 พรจะพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติที่สําคัญเลยคือให้รู้ทุกบอกทุกให้รู้สิ่งที่ทุกก็คืออุ ป, ปาทานขันขันที่เรามีอยู่นี่แหละกว่าอุ ป, ปาทานขันหน้าที่เรา ร, รู้ก็บ่อยๆดูไปเรื่อยจนเห็น่ปไม่มีแต่ทุกข์ร้อร้อนในในการในใจจิตจึงจะหยอกป ล, ล่อยวางก็เห็นแ า, ตา่ความเป็นจริงเห็นทุกข์นะจิตจึงเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายคือคลายกำหนัดคือคลายควา ม, วามยิดถือก็ใครกําหนัดจึงหลุดพ้น ถ้าเราไปเห็นทุกเราภาวนาแล้วเราเหลือแต่ความสุขมันเดียวเราเราจะไม่โกรหรอกท่านเดินปัญญยาให้เยอะเลยนะสมาธิท่านดีอยู่แล้วมีไหมมีเวลาห้าหกนาทีพิธีมรดกประจากษ์ครั บ, ราาคบผมก็เคยได้รับฟังซีดีของป้าจารย์แล้วก็ะยะพยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางนกันะ เช่นนี้ว่าก็จะมีปร ะ, ะาาหรโโุทธเจ้ามีแต่หลท่านท่ก็ดังคำกล้าของบวชโสดศิษยานที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของอการแยกสมถะกับวิปัสสนาอยา่างอาจารย์ที่ว่าจาเสัญคุครับสมถะการวิปัสสนาเป็นของที่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าสิ่งที่ควรทำคือสมถะและกวิปัสสนาสิ่งที่ควรทำด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนามีคาว่าปัญญาอันยิ่งน มายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรเี่ยระหว่างทำไม่หลงไม่เลือไปทําอืนใช่ไหมที่มีสัมคัญ ญ, ญากําก่าอื่นนั่นเองสมาทานนั้นทําเพื่ออะไรสมาทานทานทเพื่อให้จิตตั้งมั่นจิตสงบจิตมีเรื่องมีแรงวิธีทํำทำยังไงจิตขอเราปฏิสติเนะิร่อนเร่ตลอดเวลาวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้วิ่งแต่อดีตแไปอนาคตนะตลอดเนวะลา เรามาฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์ันเดียวไม่ร่อนเร่ไปมีบ้านให้จิตอยู่ faces, rats. นะอาจจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่ก <Why S 1> ับการคิดถึงทานคิดถึงสีคิดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อะไรก็ได้คิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายอะไรก็ได้เนา่ะอย่างหนึ่งให้จิตมันไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่ว่าเมื่ออยู่แล้วมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์ใดแล้วจิตจะไม่หนีไปที่อาที่อื่นการที่จิตของเราร่อนเร่ วิ่งหาอารมโ้อารมณ์นี้ไปเรื่อยๆถ้าจิตมันไม่มีความสุขจิงมันหิวเลื่องหนึ <S <S ่ง <wrap> ดังน like ั้นถ้าเราจะทําสมาธิเราก็ต้องเลือกตูวว่ากรรมฐานอะไรที่เมื่อเราทําแล้วแล้จิตใจมีความสุขอย่างของผมนะครับมันหายใจปึกหายใจเด็กหายใจแล้วมีความสุขเวลาจะทำสมาธิผมก็เห็นหน้าใจมันหายใจนะทำปั๊บสงบไปจิตใจมีความสุขเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อนั้นก็เราจาไว้อย่างนะความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ บางคนไม่รู้ว่าสมาธิเกิดจากอะไรก็ไปบังคับจิตจิตเหมือนเด็กร่างเร่ตลอดเวลาเนี่ยนีไปเที่ยวที่โน้ที่นี่นะมันเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยนั้นเราอยากให้เด็กสงบเรียบร้อยเข้าบ้านไม่หนีไปเที่ย ว, วเราก็เอาขนมไปลอ่อเแล่ยเราของที่มีความสุขไปลอ่อแล้วอย่างชวนเด็กมากิ น, น, นไอศครีมนะเราอยากไปเที่ยวนอกบ้านเด็กมันมีความสุขก็ไม่นมนหนีไปเที่ยวจิตนี้ก็เหมือนกันจิตเที่ยวหาความสุขก็เที่ยวหิวอารมณ์ไปเรื่อยแต่ถ้าเราเอาอารมที่จิตมีความสุขมาให้จิต จิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นพุทโธไปหรือหายใจไปแล้วแต่ถนัดถ้าจิตมีความสุขแล้วจิตก็อยู่อกับลให้ายใจอยู่กับพุทโธนี่คือสมถะสิ่งที่ได้นั้นได้ความสุขได้ความสงบ ไ, ได้ความตั้งมั่นไม่ร้อนเร่นะส่นวิปัสนาเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงสมถะทําไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นนะวิปัสนาทําไปเพื่อให้เห็นความจริงของอะไรของรูปของนออกไปของใจ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 ไม่ น, า, นาจะเห็นความจริงเนี่ไม่ใช่ตัวเราเหรออย่างยโยมฟังซีดีนะเขาเป็นเดือน2เดือนเนะี่ยเขาแยกออกแล้วร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราเขาแยกได้แล้วว่าเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไม่ใช่ตัวเราเขาแยกได้แล้วว่ากิเลส ก, ก็ไม่ใช่ตัวเราแยกออกไปเนี่ยเดินปัญญาเนะี่ยเดินนิพพานนะครับค่อยๆแยกกายแยกใจแกยกแล้วก็ดูไปแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราดังนั้นะสิ่งที่ได้มาก็คือการขอบถอนการทําลายความเห็นผิด ในกายในใจนี้แล้วล้างความเห็นผิดได้ก็จะพ้นทุกข์ได้ความเห็นผิดนะั่นแหละตัวหัวจกของปัญหาเอาวิชาความไม่รู้นั่นเองแล้วเราทำวิปัสสนาก็เกิดวิชาความรู้ความจริงก็ล้างอาวิชาไปก็พนะ้นทุกข์ไปทั้งสมถะแลวิปัสสนาก็ให้เหมือนกันคนละวัตถุประสงค์คนละวิธีการนะสมถะต้องการให้จิตตั้งมั่นอยู่ในรมเดียวไม่ร่อนเร่ไป วิธีทําน้อมจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นโดยที่ไม่ได้บระคับถ้าประคับอยู่ไม่เป็นสมถะรรวิปัสสนาทําเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจให้คอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจในขณะเที่ยงคืนก็ อ, อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจจนเห น, นื่อยให้คอยรู้สึกมันไปเดี๋ยวก็เห็นความจริงสองอย่างนี้นไม่เหมือนกันแต่เพื่อปูนกันสมถะเราก็ไม่จริงนะทำได้ก็ต้องทํา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 เวลาเดินนิพพานชนไปบางทีพุ้งซ้านแล้วก็กลับมาทําความสะดวกมากแต่สงบแล้วก็ไม่อยู่เฉยไม่ไม่อยู่สบายเพลินนานๆบ้างๆกลับมารู้กายมารู้ใจนะเห้เดินอย่างนี้นะครับเดินสองขาเดินรอบพระนะครับพระทิ้งสรถะไม่ได้นะเพราะเราเป็นพระเราไม่มีกามาสุขเลยอยากกินของอร่อยก็ไม่มีให้กินยะหน้าหนาวหน้าหนาวแทบตายเลยกีบนบอพระไม่มีคุณพิเศษอยู่ข้อหนึ่งนะหน้าร้อนร้อนหน้าหนาวหนา เม่เราไม่มีรปามสุขมีควาส ม, มาสุขทางกายแล้วทำวามสงบมาจิตใจได้รักษาจิตใจมีความสุขให้เราอยู่ในสมาัิเพี้ยนได้หนาอย่าทิ้งนะอย่าทิงโดยเฉพาะถ้าท้าหนุ่มๆ น, นะครับรูกกายได้ามากไหมข่มระคะไม่งั้นะละคะรุนแรงขึ้นไไมาเดี๋ยวก็อยู่ไม่ไหวครูบงอาจารย์พรมวุลิมวุโชวนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับ เออเป็นตัวมาหลายวานแล้ว น, น, นะครับที่จะมาพบกับครูอาจารย์ที่ทวโรสนะเพื่อมาจัเตรียมตัวพบครูอาจารย์นะเตรียมตัวชกงวยก็คือเอ่อที่ของผมนะหลงหลงงานนะครับก็คือเอมีความตื่นเป็นช่วงๆนะครับดี๋่ผมนั่งฟังเล็กน้อยแต่ช่วงที่ตื่นที่สุดนะฮะก็ ตอนที่ผมมีบุญนะฮะได้บวดในพระพุทธศาสนาปีสาสิบนะฮะตอนนั้นผมได้รับใช้ครูบาอาจารย์นะได้อาบน้ำให้ท่านโน้ตให้ท่านนะฮะักผ้าซักวันธรรมดานะวัธราครับผมตอนนั้นผมนึกไปถึงพ่อแม่เลยนะครับที่เขาเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์คงไม่ผิดนะครับใช่พ่อแม่ที่ผมไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนก็คุณท่านเพราะ ผมเสียท่านไปตั้งแต่ยังเล็กอยู่นะครับผน้ำตาซึมตอนนั้นนะครับก็เลยเ อ, อรู้สึกตัวตื่ขึ้นมานะตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวช้ามากเกินนะ ร, รู้สึกจนจนท่านเสียไปแล้วผมรู้สึกตัวนะฮะทีนี้การบ้านนะฮะการปฏิบัติของผมยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า ผมพยายามยที่จะทำดีนะฮะเขาเรียกว่าทําดีให้ลูกทำถูกให้หลานะขออาจารย์ช่วยชีนะ้แนวทางให้ด้ยวยครับก็พี่ว่ามาันพอดีนะทําดีอะไรนะให้ลูกทาถูกให้หลานทํำวิปัสสนาให้ตนเองนะ <c oughs> อย่าลืมนะหมดแต่เ ล, ล, ล <c oughs> ี้ยงลูกล้หลานพยายามรู้สึกตัวนะอย่ารู้สึกตัวไม่อยวนะร่างกายแค่อนไหวรู้สึกจิตใจแค่อนไหรู้สึกแล้ว อ, อย่างตอนนี้จิตวิ่งมาที่อัตามาตัวอกไห ดูครับนะเรื่อคอยรู้ทันหน่จิตมัจะนีไปตลอดเวลาหนีไปดูหนีไปฟังนีไปคิดเราคอยรู้ทันหน่ที่ที่ราองไห้เนี่ยเขาเรียกว่าปิติเช่รือไ่ใชาแต่ก็ปติเลยเพราะลมจิตใค่รู้ทันแลาวิติเราะลมจิตถ้ารู้ทานนล้วปิติอย่างเงี้ยจิตจะานะจิตจะชนะไม่ถูกิติเราะสังเกตให้ขณะนี้ปิติก็ลงนะหอกนะคือผัดเนี่ยใช้เกณฑให้จิตขาะนี้มีความสุขมากขึ้น ดูออไหมมันสวบมากขึ้นแล้วรรู้ลงแตะรู้ความเป็ีแต่ของจิตและเป็นขนาดขนาดรู้อย่างนี้เรื่อยจิตแอบเป็นคิดเล้วสักว์ไหมเนี่ยรู้ทำอย่างนี้นะรู้ทำไปเลยไม่ยากหรอกเสียดายพวกเรานั้นพวกเราลงปูดสิ้นละสิ้นแล้วถ้าทัดอยู่นะโอ้เป็นที่พึ่งที่วิเศษเวลาภาวนาติดขาดนับขึ้นไปกลาวไม่ท่านจะถามไนท่านจก็แล้วฟุ้งเกินที่เชิงดาวนะกล้เบลลกได้รับแช่งอ่กกันนั่นนะ ทำไมไม่หาภาวนาก็จะภาวนาครับนะภาวนานะขอวเราเองถ้าเจ้าอยู่เราอย่าภาวนาท่านภาวนาเก่งด้วยดังนเราต้องตามท่านนะท่านเป็นแบบอย่างที่วิเศษที่สุดเข้ากันนะได้อีกหนึ่งท่านขอบคุณเจ้าท่านี่นะครับแล้วก็กราบรัศกรหลวงพ่อนะครับเดือนที่แล้วไม่รู้จักไปกราบหลวงพ่อที่ชนบุรีนะครับหลวงพ่อบอกว่า ชอบชอบคิดจิตไหลแล้วแล้วก็ติดนี่นะครับก็กับปฏิบัติได้หนึ่งเดือนรู้สึกมันมันไวขึ้นมันไม่ค่อยเฉเฉยเหมือนเดิมแต่เราอยากจะสราจบจากหลวงพ่อครับว่าการหน้าที่ถูกต้องเนี่ยใหญ่หลวงหลวพ่อตอนที่จิตตื่นหรือยังนะครับมันเต้นหือเปล่ตื่นเต้นครับ พย่าอย่าไปกังวลเรื่องจิตตื่นไม่ตื่นนะเวลาที่จิตตื่นหรืจิตรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกได้เป็นขนาดขนาดรัแบแวบเดียวเดี๋ยวไม่ก็หลงใหม่หนะเพราะงั้นมาหลงไปเรารู้หลงไปเรารู้เนี่ยความตื่นที่ถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะที่ฝึกมามันก็ดีหรอกแต่ต้องฝึกอีกนะดเดนะี๋ยวที่เกี่ยวนะสังเกตไหมบอกว่างพ่อได้ไหมจิตขนาดนี้เป็นยังไงตอนนี้เราฟังห พ, พ่อจิตกำลังมีอะไรอีกนอกจากรอฟัง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 หายใจออกเห็นร่างกายอนหนยใจออกไม่ใช่เราหายใจออ ก, ใ, อ ก, ใ, อกใครดูไปเรื่นยอยากขอหองพ่อช่วยนำสภาวะไปจนจนถูกเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าถูกยังใช่มครับเนี่ยตอนนี้ความอยากมันเกิดเราเห็นแนละ้วอย่าไปเจีอยกพูดนะเด็กไปสังเกตแล้วทราบไหมทงติดไปเที่ยวดูมาแล้วให้รู้ทางนะเอย่ยไปบังคับมนะันเอาคุณอย่าไปเปียนใหไปฟังซีดีบ่อยๆนะแล้วก็ใช้ชีวิต ธ, ธรรมดาเนะถือศีห้าไว้ มีสี่ห้าไว้ก่อนนะดีที่สุดหลัจากนั้นให้ใช้ชีวิตธรรมดาตาหูจมูกลิ้นการใช้กระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปพอกระทบแล้วนะจิตเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ให้รู้ทันจิตเฉยเฉ ย, ย, ยให้รู้ทันจิตยินดีจิตยินร้าให้รู้ทันตอนนี้แอบไปคิดที่กรซับไหมยืมไปเพ่งนะยืมเ่งไปปล่อยใช่ไหมยืมเพ่ ง, นะงให้นี่ยังไงปักตรงนี้ของฉันขาดสมาธิไปไหนนะ งันทุกวันน่าแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบเท่านะพุทโธไปนะสวดมนต์ไปอี้แล้วก็ครู้ันจิตที่ไหลคิดได้ยเงแต่อีไหลหมดแล้วไหมครับใช่ลยนี่นรู้ทัน่างไี้ลวเราหัดไปนะพุทโธพุทโธไม่ชอบพุทโธพุทโธอย่างเดียวเราเบื่อพุทโธทำโมสันโธก็ได้ไม่ชอบอย่างนื่เอาคำอื่นก็ได้บริกรรมไปแล้วก็รู้ทันวลจิตไหไปรู้ทัรู้ทันนจิตจื่นขึ้นมา อย่างตอนนี้จิตในฝันร้สึกไหมที่ไดอไปิดเห็นจิตที่อึดอัดไหมครับโอ้อึอัดเท่าอะอะไรอยากแล้วเป็นโมไมอยากให้มันดีอยากให้ดีเป็นเองการโกงเป็นการกระทำความอ่ดอาดเป็นผลมีกิเลสคืออยากมีการกระทำกรรมคือคงมีความทุกข์เกิดขึ้นมีกิเลสมีการมมีวิบากให้หมุนอยู่อย่างน้การรู้เรื่อยๆไปนะ อ่ะวันนี้ไดท่านี้แหละต่อไปนะไหนๆก็รับสินไปแล้วนะฟังถามไปแล้วต่อไปนี้ลงมือปฏิบัติวิธีปฏิบัติทำนะเคย ท, ทํำปัญหานอะไรก็ทําไปพุโทโธก็พุทโธเคยหายใจก็หายใจเคดูท้องฟังยุบ ก, ก็ทําแต่ระวังอันหนึ่งอยให้จิตถลาง ล, ง ไ, ลงไปอย่าให้จิตลงไปนิ่งอย่างบางคนไปพุโทโธก็บังคับจิตให้นิ่งแต่ดูลมหายใจก็ให้จิตเป็นิ่งอยู่กับลม ไปดูท้องจิตเทวิกก่อนนิ่งอยู่บนท้องเรากราบทีหนึ่งดูกายป็นทํางานดูใจเป็นทํางานทําตัวเป็นคนดูนะต่อไป น, นี้ประมาณสองสามนาทีก็พอทำมากเดี๋ยวกรู้ให้ให้ทําหน้าที่เป็นแค่คนดูดูกายทางานดูจิตทํางานแล้วเดี๋ยวเราภาวนาแล้วเนี่ยถ้าจิตใจเราตั้งมั่นขึ้นมานะแม้แต่แวบเดียวเนะเราจะได้บุญที่มหาศาลยิ่งกว่าสร้างปฏิทินนะเราก็ชั่ว ทั้งกรดิ่หูงูและพริน้นแบบเดียวกันนะถ้าจิตตั้งมกกั่นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบุญเป็นกุศลอันมหาศาลกับตัวเราเองนะแล้วหลังจากนั้นเราจะช่วยในการน้อมจิตน้อมใจนะ้อมไหวพระราชกุศลนะอธิษฐามจิตให้ท่านได้นะอธิษฐานจิตให้ใน ห, หลวงของเราได้นะอัเชิญนั่งดูกายดูใจมาทํางานจิตจิตพวกเราสงบต่อสังขุนนะนะ อย่าให้ติดทอนออกมานะนึกถึงก็จะอยู่หัวของเรานะอธิษฐานให้ท่านมีร่างกายแกนงแรงนะมีอายุยืนยาวมีความสุข